นั้นสิ่งที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ไม่ให้วนเวียนยในสังสรารวัฏแล้วเกิดโทษขั้นแรกเลยฝึกความรู้ตัวให้เกิดขึ้นมาตัวที่จะทำให้เราสร้างโทษสร้างกรรมที่เป็นโทษมันเริ่มมาจากใจที่ไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่พระองค์สอนว่าสิ่งจําเป็นในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อความจริงอันนี้เป็นเป็นภาษาของหลวงปู่เทศแต่ถ้าภาษาบาลีคือสติจำเป็นในทุกๆเรื่องสติสัพพัทธปฏิยาเคยพูดแล้วใช่ไหมใครที่เคยฟังเนี่ยสติสัพพัทปัฏิยาสติจาเป็นในทุกๆเรื่องถ้าจะทำดีต้องมีสติถ้าจะต้องการพ้นจากสังสารวัฏต้องเริ่มด้วยสติเหมือนกันประการแรกเลยคือรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้สติที่จะพาให้เราพัฒนาทางจิตใจเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่ไปตามรู้ว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรหรือไปไปดูว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรไม่เกี่ยวกันสติต้องรู้ของจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็คือรู้ว่ากายนี้ขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตเราเป็นยังไงเมื่อกี้นี้แต่เป็นเมื่อกี้นี้แบบทันทีทันใด เรียกรวมได้ว่าเป็นปัจจุบันได้เหมือนกันแต่เป็นปัจจุบันแบบแบบตามติดติถ้าดูแบบคร่าวๆแล้วมันก็คือปัจจุบันแต่ถ้าดูละเอียดแล้วมันคือมันเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ไปแล้วแล้วเราตามรู้แบบติดติเป็นปัจจุบันภาษาบาลีเรียกว่าปัจจุบันสันตติเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้กับจิตหรือเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้กับกายดูได้ทันทีทําไมดูได้ทันทีเพราะว่าจิตอันนึง กายอันหนึง่งจิตดูกายดูได้เลยดูได้ทันทีแต่จิตจะมาดูจิตเนี่ยมันต้องให้อายจิตดวงนี้ดับไปก่อนจิตดวงใหม่จึงจะมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นจิตดวงนี้กําลังเผลอยอยู่กําลังใจลอยตัวมันเองจะมาดูว่าตัวเองกาลังใจลอยนั้นไม่ได้เพราะมันไปดูอย่างอื่นไปแล้วดังนั้นต้องให้ดวงนี้ดับไปก่อนแล้วจิตดวงใหม่ค่อยมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวว่าดวงนี้จะไม่ดับ จิตเกิดดับอยู่เสมอจิตดวงนึงเกิดขึ้นดับไปเป็นเหตุให้อีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาดวงนี้ก็ไม่เที่ยงดับไปเหมือนกันมีเหตุให้อีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะนั้นสองมือไม่พอจิตเนี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆในคำพีบอกว่าเกิดดับแสนโกดกับในชั่วเวลาแวบเดียวเพราะนั้นไม่จะเป็นต้องไปนับ มันจะเป็นต้องไหมครับขอให้รู้ทันว่ามีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ใช้ได้ขณะที่มีกิเลสเกิดขึ้นคือขณะที่เผลอไปนะแล้วมีสติรู้ทันว่ามีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยขณะที่รู้เป็นขณะที่มีสติขณะที่มีสติขึ้นมาสติทำหน้าที่ทันทีหน้าที่ของสติก็คือรักษาจิตนะถ้าเรารู้สึกอ้างว้างเดียวดายต้องการคนมาคอยดูแล มีใครรู้สึกเงียบชีวิตนี้ช่างเหงาต้องหาคนมาดูแลหาคนคนรู้ใจให้หาสติไม่ใช่หาคนอื่นมาดูใจตัวเองให้หาสติมารักษาจิตนะคนรู้ใจที่เป็นคนอื่นบุคคลอื่นเนี่ยอันตรายมันมันรู้ใจเราเนี่ยบางทีมันรู้เพื่อ อยากได้ผลประโยชน์ก็มีแต่สติที่เกิดจากจิตนี้เองจะเป็นตัวรักษาจิตนี้สติที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตสตินั้นทำการรักษาจิตทันทีด้วยการทำให้จิตนั้นปราศจากกิเลสขณะที่มีสติอยู่นั้นกิเลสไม่เกิดขณะที่มีกิเลสขณะนั้นไม่มีสติขณะที่มีกิเลสเป็นขณะที่เป็นอกุศล ขณะที่มีสติขณะนั้นเป็นกุศลเหมือนไฟไฟที่เปิดกับไฟที่ปิดไม่ใช่ขณะเดียวกันขณะที่มันมีแสงออกมาเนี่ยเป็นขณะที่มีสติเปรียบแล้วนะขณะที่ปิดไปคือขณะที่มันไม่มีสติเพราะนั้นกุศลกับอกุศลไม่ได้เกิดในคราวเดียวกันในขณะจิตเดียวกันแต่จิตขณะนี้เป็นอกุศลเพราะว่าเกิดไปแล้วรู้ข้างนอกแล้วมีกิเลสแต่มันก็ดับ และเป็นเหตุให้เกิดจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเพราะเรายัางไม่ตายยังมีจิตที่ต้องทำงานอยู่เรื่อยๆจิตเนี่ยเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์สาหรับคนที่มาใหม่นะคำว่าจิตคือเป็นสภาวะอันหนึ่งที่เป็นนามธรรมา ท, ำทำหน้าที่รู้อารมณ์ดังนั้นสิ่งที่เกิดคู่กับจิตอยู่เสมอก็คืออารมณ์อารมณ์กับจิตมาคู่กันเสมอ มีจิตต้องมีอารมณ์แต่อารมณ์ตรงนี้ไม่ใช่ว่าอิโมชันเป็นอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหรือสิ่งที่ถูกรู้โดยจิต <c oughs> จะแปลแบบไหนก็ได้อารมณ์เนี่ยนะนะเช่นเช่นอะไรดีโยมดูพระพุทธรูปใครหลับตาอยู่ลืมดูซิลองลืมตาดูดูพระพุทธรูปนะ ขณะนี้พระพุทธรูปเป็นอารมณ์ของจิตผ่านทางตาฟังเสียงอยู่เนี่ยที่ฟังเสียงได้ยินที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเสียงเป็นอารมณ์ของจิตใครนั่งใกล้พัดลมลมพัดผ่านมามีลมพัดผ่านม า, ม, ม, า, น ม, ามีความเย็นเกิดขึ้นกับกายหรือมีสัมผัสของลมเกิดขึ้นกับกายสัมผัสนั้นเป็นอารมณ์ของจิตผ่านทางกาย มันคู่กันอย่างนี้จิตที่รู้อารมณ์รู้แล้วมันก็ทำงานกับมันต่อมีความพอใจมีความไม่พอใจพอใจก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดราคะไม่พอใจก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะที่ว่าเหตุใกลก้คือบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้มีราคะเกิดขึ้นมามีโทสะเกิดขึ้นมาขณะนั้นคือไม่มีสติไม่รู้ตัว ไปรู้หน้าคนนี้เกิดราคะไปรู้หน้าคนนู้นเกิดโทสะมีสัมผัสทางกายเกิดความยินดีราคะอยากอยากให้มันลมพัดอีกแต่ลมพัดนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ จ, จะเป็นสัมผัสเช่นมีเป็นหนุ่มๆ ม, มีผู้หญิงมาแตะสัมผัสเนี่ยพอใจอยากให้สัมผัสอีกหรืออยากสัมผัสเขาเองอะไรเงี้ยนะหรือหลับตาอยู่มีมีอะไรมันแตะแตะที่หน้าตักโอ้สงสัย มีสาวๆมาสะกิดหรือว่าจะมีสาวๆมาหนุน ล, ลืมตามาเป็นสุนัขอะไรองี้ก็มีความติดยึดผัวพันถ้าความรู้สึกในใจมันเหมือนยางเหนียวอยากได้อีกมีความผัวพันมีความใคร่ตรงนี้เรียกว่าเป็นราคะลักษณะของมันลักษณะของราคะลักษณะของโทสะไม่เหมือนกันเราจึงแยกออกได้ว่าราคะเป็นอย่างหนึ่งโทสะเป็นอย่างหนึ่ง เวลามีสติไปรู้เข้าขณะที่มีสติรู้ว่าอันนี้คืออะไรเป็นราคะหรือเป็นโทสะเนี่ยขณะนั้นเป็นกุศลขณะที่เป็นกุศลก็คือไม่มีอกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่แวบเดียวจิตดวงนี้มีมีหน้าคนนี้เป็นอารมณ์แล้วเกิดราคะแล้วมันก็ดับถ้าจิตดวงใหม่แทนที่จะไปรู้หน้าคนนั้นไปรู้จิตดวงนี้เข้าว่าจิตเมื่อกี้นี้เกิดราคะจิตดวงนี้ เป็นกุศล จ, จ fet, mantra, trouble, now, ار, ิตดวงนี้เป็นอกุศลจิตดวงที่เห็นแล้วมีราคะเป็นอกุศลจิตดวงใหม่ที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้นดวงนี้เป็นกุศลไม่ได้เกิดพร้อมกันนะดวงนี้มีราคะแล้วก็ดับจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นที่ดับเมื่อกี้เนี้ยว่ามีราคะจิตดวงเนี้ยขณะนี้เป็นกุศลแล้วมันก็ดับดับไปแล้วไปเสวยอารมณ์อื่นต่อ จิตมีหน้าที่รู้อารมณ์อารมณ์ของจิตส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างนอกคนปุตุชนทั้งหลายจึงจิตส่งออกนอกเป็นปกติไม่ต้องกลัวไปฟังไปดูไปดมหรือไปคิดนึกจิตดวงไหนก็ตามที่รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจคือจิตดวงนั้นหันเอาสิ่งที่เคยรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นอารมณ์ ดูกายนี้เป็นอารมณ์ดูจิตนี้เป็นอารมณ์พระเจ้าทรงชักชวนสั่งสอนทั้งชักชวนและสั่งสอนว่าจงมาดูเถิดจงมาดูเถิดดูกายนี้และใจนี้ที่เข้าใจกันว่าเป็นเรานี่แหละทำความศึกษาให้เข้าใจให้ถ่องแท้ว่าเป็นเราจริงหรือความเป็นเรามีจริงหรือนะคำตอบมีอยู่แล้วว่ามันไม่จริงแต่ว่า จิตมันยังไม่เชื่อจิตไม่เชื่อนั้นแม้จะปากจะพร่ำท่องแต่จิตไม่เห็นนะก็ไม่เกิดปัญญาเราท่องได้อันนี้จังทุกครั้งนั้นตาขันห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาท่องได้นะแต่จิตไม่เห็นมันได้แต่จำในสมองนะสมองนี้ตายไปแล้วมันก็อยู่ในโรงศพมันไม่ตามไปเกิดด้วยนะแต่จิต ที่โง่โงมันจะไปเกิดด้วยเพราะมันนั่นแหละเป็นตัวพาเกิดดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้กับมันไม่ใช่เอาความรู้จับใส่สมองแต่เป็นความรู้ที่ให้จิตมันเห็นจริงๆสิ่งที่ให้จิตมันเห็นจริงสิ่งแรกที่จะไม่มันมีความรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราเรียกสิ่งนั้นว่าสติสติคือสิ่งเป็น เป็นตัวที่ช่วยรักษาจิตนี่หน้าที่ของมันอันแรกรักษาจิตอันแรกคือทุกครั้งที่มีสติขณะนั้นไม่มีอกุศลจิตปลอดจากอากุศลไปแล้วนะหน้าที่ของสติอีกอย่างหนึ่งคือจับเอาของจริงให้จิตดูของจริงให้จิตดูจิตเนี่ยมักจะส่งออกไปข้างนอกเวลาดูก็ดูข้างนอกเวลาฟังก็ฟังข้างนอกดมก็ดมให้ข้างนอกนั่นแหละ จะสัมผัสเนี่ยแม้จะสัมผัสตรงนี้เนี่ยนะมันก็ส่งออกมาสัมผัสมีการเคลื่อนออกมารู้ข้างนอกจับความรู้สึกเราจับมือตัวเองเนี่ยนะแต่จิตมันเคลื่อนออกมารู้มันส่งออกมาที่เห็นชัดๆเลยมันส่งออกคื อ, อคิดนึกคิดนึกในใจเนี่ยเรานึกว่ามันคิดอยู่ในหัวมันอยู่ในซอกไหนของสมองยอะไรงี้นะไม่หรอกมันออกไปแล้วมันออกไปแล้ว มันออกไปยันอเมริกาก็มีออกไปจีนก็มีโดยเฉพาะเวลาดูหน้าจออยู่หน้าจอใครอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะเปิดเว็บดูหรือใครมีมือถือเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งส่งออกอุปกรณ์ชวนจิตส่งออกมีเยอะขึ้นส่งออกไปออกไปไกลด้วยเมื่อก่อนเนี่ยชาวไร่ชาวนานก็จะออกไปแค่ปลายทุ่งหรืออาจจะออกว่าควายกูไปไหนอะไรประมาณนั้นนะ นึกออกแค่ไม่ไกลเท่าไหร่๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์ในการที่จะทำให้จิตมันออกไปไกลามากขึ้นเที่ยวรู้ไปหมดโลกนี้ก็ทำอะไรกันนะโอบามาสาบานตนก็อุตส่าห์ไปรู้กับเขาอะไรเงรี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะมันส่งออกไปนะสิ่งที่สติทำงานให้จิตอีกทีหนึ่งก็คือทำให้จิตได้รู้ความจริงว่าเมื่อกี้ เกิดอะไรขึ้นกับจิตจิตที่ส่งออกไปเนี่ยไปรู้ไปรู้นะรู้ข้างนอกไม่ได้รู้ตัวเองเข้าใจไหมไปรู้ข้างนอกรู้ว่าคนนั้นกําลังนั่งยิ้มแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังยิ้มรู้ว่าคนนั้นกําลังขยับตัวไม่รู้ว่าตัวเองกําลังขยับอะไรอยู่โดยเฉพาะรู้คนนั้นมีกิเลสมีไหมคนเนี้ยโอ้โหน่าเกลียดกิเลสเยอะแต่ตัวเองกิเลสมากไม่เห็นเป็นยังไงไหมโดยเฉพาะในหมู่นักปฏิบัติเนี่ย จะมีตาทิพย์แบบหนึ่งเห็นคนนี้โอ้โหกิเลสเยอะคนนั้นก็กิเลสเยอะคนนี้ช่างโทสะคนนี้ราคะจัดอะไรอย่างนี้นะตัวเองก็มีแต่ไม่เห็นไม่เห็นเพราะไม่มีสติไอ้ที่เห็นคนอื่นไม่ใช่เรียกว่ามีสติในความหมายของนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สติปฐานสี่ฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติมีอยู่สอย่างเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเป็นกายที่เป็นเรา ที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเวทนาก็เป็นเวทนาที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราจิตก็คือจิตที่เข้าใจว่าเป็นเราธรรมะก็คือเป็นชุดเลยเราทั้งชุดเลยทั้งพวงเลย <c ười> ถ้าขันห้าก็คือขันห้าที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราทุกทั้งหลายก็นึกว่าเราทุกยเวลาดูเวทนาให้ดูเวทนาก็ดูเวทนาที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราทุกครั้งที่มีสติคือเอาความจริงมาให้จิตดูความจรงิง น, นั้นเนี่ยท่านบอกว่าเวลาดูกายให้เห็นกายในกายกายในกายนี่ก็แปลได้ความหมายหลายอย่างแฝงความหมายได้หลายอย่างเช่นท่านบอกว่ามันหมายถึงว่าไม่ต้องไปดูกายทั้งหมดเลือกเอากายที่เราพอเห็นได้เช่นเวลาพระท่านบวชใหม่ๆอุปชาจะให้ดูผมขนเล็บฟันหนัง ใครเคยบวชแล้วบ้างมีไหมเคยบวชนะเคยบวชอุปชาสอนไหมหรือจาไม่ได้แล้วอุปชาทุกครั้งนะทุกองค์และทุกครั้งที่มีการบวชเนะี่ยบวชเสร็จแล้วท่านจะสอนสอนว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเลยอย่าทำอย่าทาอย่าทนะํานตลอดชีวิตพระก็คือสี่อย่างอย่าไปมีเมียอย่าไปเสพกามนะอย่าไปเสพเมถุน ข้อที่สองคืออย่าไปฆ่าคนอย่าไปลักทรัพย์แล้วอย่าไปโกหกอย่าไปอวดอุตริมนุสธรรมรู้จักกันใช่ไหมอุตริมนุสธรรมคือธรรมของมนุษย์ผู้ยิง่งและท่านก็สอนว่าชีวิตของพระเนี่ยต่อไปนะอยู่โคนไม้บิณฑบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของห่วงแล้วก็อะไรฉันยาดองด้วยน้ํามูดเนา่าถ้าป่วยถ้าไม่มีใครถวายยาอะไรยเงี้ยอยู่ได้นะ แล้วกาอยู่เป็นพระได้ดีก็ต้องรักษาศีลต้องรู้จักระวังจิตใจตัวเองระวังจิตใจตัวเองก็คือศึกษาเรื่องจิตนั่นเองศึกษาเรื่องจิตท่านก็ให้ดูทําใจอยู่กับกายกายที่ท่านยกมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกายเท่านั้นเองคืออยู่กับผมขนเล็บฝันหนังอย่างใดอย่างหนึ่งท่านไม่สอนให้ดูทั่วทั้งหมดให้รู้ ในผมอย่างเดียวก็ได้ตอนนี้ดูยากหน่อยไม่ค่อยมีขนเล็บฟันหน่ังเป็นส่วนหนึ่งดูกายในกายก็คือว่าผมก็เป็นกายดูกายอย่างนี้ก็คือดูกายในกายดูเล็บเล็บก็เป็นกายดูเล็บก็คือดูกายในกายเป็นกายชิ้นหนึ่งในกายก่อนนี้ลมจะดูลมก็ได้นะลมหายใจเข้าใจออกก็ดูกาย นี่เหมือนกันเป็นกายส่วนหนึ่งที่เป็นลมในกายก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยมีทั้งลมมีทั้งไฟมีทั้งดินดินก็คือไอ้ที่มันจับได้ว่านิ่มๆแข็งๆเนี่ยแล้วมีทั้งลมด้วยลมที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาดูอันไหนก็ได้ที่เป็นกายนี้เรียกว่าดูกายในกายอีกความหมายหนึ่งก็คือดูว่ามันเป็นกายเห็นกายในกายคือดูแล้ว ไม่มีกูไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เห็นแล้วเห็นกูในกายดูลมก็คือกูกาลังหายใจอย่างนี้ไม่ได้เห็นลมก็คือเห็นลมจริงๆเห็นเล็บโอ้เล็บกูสวยอย่างนี้ไม่ได้วันนี้ใครแต่งเล็บมาบ้างดูเล็บก็คือเห็นเล็บจริงๆดูผมก็เห็นผมจริงๆเห็นผมจริงๆและผมนั้นเนี่ยเป็นกายไม่ใช่เป็นผมกู ไม่ใช่เป็นเล็บกูไม่ใช่เป็นฟันกูเห็นมือไม่ใช่มือกูเป็นกายอันหนึ่งเห็นกายในกายเวลาเห็นเวทนาก็เป็นเวทนาจริงๆเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเฉยจริงจริงไม่ใช่ว่าเห็นว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทนไม่ได้แล้วไอตอนทนไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นสังขารความตอนเห็นเป็นเจ็บเป็นปวดเนี่ยเป็นเวทนา รู้จักเวทนาใช่ไหมเวทนาเวทนามีสามอย่างเอาง่ายๆก็คือมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าแยกละเอียดท่านก็แยกได้นะให้เป็นห้าก็ได้เป็นสุขทางกายกับทุกข์ทางกายแล้วก็สุขทางใจทุกข์ทางใจท่านก็แยกสับให้มันชัดเจนนิดนึงไอ้สุขเนี่ยคือสุขทางกายทุกขก์เนี่ยคือทุกข์ทางกาย เวลาเป็นสุขทุกทางใจฉันใช้สับหรูขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเป็นโสมนัสโสมนัสกับโทมนัสโสมนัสเป็นสุขทางใจโทมนัสเป็นทุกข์ทางใจส่วนเฉยเฉยก็คือเรียกว่าเป็นอุเบกขาก็ได้หรืออัฐุกกรรมสุขก็ได้อัฐุกกมสุขคือไม่ทุกไม่สุขไม่ทุกด้วยแล้วก็ไม่สุขด้วยเฉยเฉยเห็นว่าเป็นเวทนาเหล่านี้จะสุขหรือจะทุกขหรือจะเฉยเฉยเป็นเวทนา ไม่ใช่มีกูว่าเป็นกูสุขหรือกูทุกข์หรือกูเฉยเฉยหรือเกิดขึ้นมาแล้วมีเวตาเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ตัวอันนี้คือไม่มีทั้งความรู้คือไม่มีสติเลยหน้าที่ของสตินะอย่างแรกคือรักษาจิตมีสติขึ้นมาทันทีที่มีสติทำไมถึงรักษาจิตเพราะว่าส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติเริ่มต้นนนะ สิ่งที่เราจะไปรู้ส่วนใหญ่แล้วจะรู้สิ่งที่ไม่ค่อยดีพระเจ้าท่านก็ทราบตรงนี้นะท่านสอนเวลาท่านสอนเนี่ยเวลาคนจะดูจิตเนี่ยให้ดูจิตนี้มีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะฟุ้งซ่านหรือหดหูเอาะจชัดเลยก็คือว่าราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู ให้ดูสิ่งที่ไม่ดีเพราะคนส่วนใหญ่แล้วมันจะมีไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยดีจิตที่มันดีๆที่เป็นกุศลจริงๆไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดความรู้ตัวไม่ค่อยมีมันส่งออกส่งออกไปแล้วมีราคะส่งออกไปแล้วมีโทสะส่งออกไปไม่มีราคะไม่มีโทสะก็ส่งออกเฉยๆแบบใจลอยใจลอยไปเรื่อยๆใจลอยแบบมีความคิดด้วยก็กลายเป็นฟุง้งซ่านลอยแบบสเปสะสปะแกว่งไปแกว่งมา ถ้าสังเกตเห็นความแกว่งไปแกว่งมาได้ใช้ได้แล้วนะเห็นมันแกว่งไปแกว่งมาหรือบางทีก็หมดแรงหมดแรงหมดเรี่ยวแรงหมดกําลังใจกลายเป็นหดหู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ดีเลยเกิดมาทีไรเรียกว่าอากุศลทุกทีเลยไม่ดีเลยแต่ทุกครั้งที่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอกุศลเกิดขึ้นขณะนั้นจิตขณะนั้นเรียกว่ามีสติและสตินั้นทําหน้าที่ทันทีคือทําจิตดวงนั้นให้เป็นกุศลทันที มันทําเองด้วยเราไม่ต้องบังคับว่าจิตเจ้าจงเป็นกุศลนะจิตเจ้าจงเป็นกุศลไม่เกิดไม่เกิดกุศลแต่เพียงรู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตเป็นกุศลทันทีแปลกไหมมันแสดงทันทีเลยว่าบังคับไม่ได้นะแต่ฝึกได้จิตดวงนี้นะบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้วิธีฝึกคือรู้ทันมันไม่ใช่ไปบังคับมัน รู้ทันม be ันไม่บังคับมันทุกครั้งที่รู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวรู้เมื่อกี้เนี่ยมันทําหน้าที it, ่ของมันเองรักษาจิตของมันเองจิตที่เป็นตัวรู้คอยรู้นู้นรู้นี่แล้วเป็นกิเลสกลายเป็นอกุศลจิตจิตที่รู้ตัวขึ้นมาทําหน้าที่ของมันเองรักษาจิตนั้นเองแล้วกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลเองแล้วจิตก็ทําหน้าที่เองอีกอย่างหนึ่งคือดับเอง จิตที่เป็นกุศลนั้นดับเองเกิดใหม่สนใจนู่นอีกสนใจนู่นสนใจนี่อีกเราก็สนใจทีหนึ่งใส่ใจมันหน่อยหนึ่งว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอีกสิ่งที่ฝึกนะฝึกก่อนรู้ตัวขึ้นมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้กับจิตหรือเกิดอะไรขึ้นกับใจหรือเกิดอะไรขึ้นกับกายนี้เดี๋ยวนี้อันนี้คือฝึกสติฝึกแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็น การพัฒนาขั้นต่อไปการพัฒนาขั้นต่อไปก็คือพอเห็นลักษณะต่างๆจิตเนี่ยเวลามีสติเกิดขึ้นเห็นลักษณะต่างๆของสิ่งที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตเนี่ยมันจะแยกแยะได้ว่าราคะเป็นอย่างหนึ่งโทสะเป็นอย่างหนึ่งเราแยกแยะได้เพราะว่ามันมีลักษณะไม่เหมือนกันเช่นคนนี้กับคนนี้ ลักษณะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับคนนี้กับคนนี้ก็ลักษณะไม่เหมือนกันมันแยกได้เราสามารถแยกได้ดูใหม่ๆเวลาเราไปเข้าค่ายหรือไปรับน้องใหม่ใครชีวิตเคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมไปรวมกลุ่มกันใหญ่ๆที่เจอเพื่อนใหม่ๆทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จําไม่ค่อยได้หรอกใครเป็นใครชื่ออะไรมันก็เหมือนกับคนไม่เคยรู้จักกันเลยจิตนี้ก็เหมือนกันไม่เคยรู้จักหรอกว่า ไอจิต ท, ที่เป็นราคาจริงๆเป็นยังไงมันเคยแค่ได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อในตำราเคยฟังครูบาอาจารย์พูดถึงเวลาเราเจอเพื่อนใหม่เห็นป้ายชื่อเห็นครั้งแรกจําไม่ได้เราก็ไอ้คนนี้หน้านี้ชื่อกับหน้าไม่แมทกัน <c oughs> ชื่อกับหน้านี่ไม่แมทกันแต่พอเราเห็นบ่อยๆเข้าเจอบ่อยๆเข้ายิ่งคนไหนที่รู้สึกว่าไอ้คนเนี่ยมันสวยจัดหรือว่าหล่อจัดหรือว่ามัน ขี้เล่นจัดจัดอะไรเงี้ยนะมันเด่นในความรู้สึกของเราเนี่ยนะเราจะจําคนนั้นได้ง่ายเหมือนกันกิเลสอันไหนที่มันจัดจัดอยู่ในใจเราเนี่ยมันเห็นง่ายใครที่ขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้จะเห็นความโลภได้ง่ายใครที่ราคะจัดจะเห็นราคะได้ง่ายใครขี้โกรธเจออะไรก็หงุดหงิดจะเห็นโทสะได้ง่ายเวลาเราเจอเพื่อนเจอบ่อยๆได้คุยด้วยเห็นหน้าด้วย จะจำเขาได้ง่ายเจอทุกวันจำได้เจอวันนี้เล่นเกมสนุกสนานผ่านไปสิบปีไม่เจอกันอีกเลยจำไม่ได้เจอหน้าอีกเขาอาจจะจำเราได้แต่เราก็จำเขาไม่ได้ที่เขาจำได้เพราะเขาใส่ใจในเราแต่เราไม่ได้ใส่ใจในเขาจำไม่ได้กิเลสก็เหมือนกันกิเลสเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆเราจะจำมันได้จำได้ทีแรกจะเห็นกิเลสตัวที่มันเด่นๆชัดๆแรงๆ แรงๆนั้นไม่ต้องตกใจว่าจะเห็นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเลวเลวแล้ว <laughs> มันเลวไปแล้ว <laughs> ไม่ต้องตกใจมันเลวมานานแล้วด้วยเพียง <laughs> แต่ว่าเราเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนดี <laughs> ไปดูนยิงแล้วเราจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจโผล่ขึ้นมาหเห็นอยู่เสมอโผล่ขึ้นมาแล้วเราใส่ใจมันเห็นมันบ่อยๆคราวนี้มันไม่ต้องแรงเท่าเดิมไม่ต้องแรงเท่าเดิมเพียงแค่มัน มีอาการอะไรขึ้นมาที่มันคล้ายๆเดิมเราก็รู้สันได้ทันทีว่ามีไอ้นี่เกิดขึ้นเช่นมีความความอึดอัดขึ้นมาลักษณะหนึ่งเราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นโทสะเกิดขึ้นมามีความเยิมในใจขึ้นมาเราจะรู้ว่านี่ราคะเกิดขึ้นมาเหมือนกับเราครบกับเพื่อนคบกับเพื่อนคบจนสนิทสนมเนยนะดูหน้าไกลๆเราก็รู้จักจาได้จาได้ ยิ่งคุ้นกันมากเนี่ยแค่เสียงฝีเท้าเดินแล้วก็จําได้เรามีไหมเราสามารถแยกแยะคนได้จากเสียงฝีเท้าเดินได้ไหมได้ใช่ไหมเงาตะคุ่มตะคุ่มเราก็รู้ว่าใครใช่ไหมให้มันดัดเสียงแล้วก็จําได้ <c oughs> เหมือนกันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยแ ร, แรกเราไม่เคยดูของจริงเลยนะเราได้แต่นึกเอาว่าราคะเป็นยังไงในอดีตเราเคยมีราคะใครไม่เคยมีราคะบ้างมีไหมไม่มีนะใครไม่เคยมีโทสะมีไหม ไม่มีใครไม่เคยฟุ้งซ่านเลยในชีวิตนี้ใครไม่เคยหดหูเลยฉันมีกําลังใจเบ่งบานเต็มเปี่ยมตลอดไม่มีเรานึกได้อยู่เสมอใช่ไหมว่าราค้าเป็นยังไงโทรศัพเป็นยังไงแต่เราใช่วิธีนึกนึกว่าเราเคยเป็นอย่างนี้นึกเอามันคือนึกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่สิ่งที่จะเป็นสติจริงๆคือณจุดเกิดเหตุขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ทันที ขณะนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ทันทีอย่างนี้เรียกว่ามีสติรู้รู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตเกิดอะไรขึ้นเช่จนจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันหดหูรู้ปัจจุบันรู้บ่อยๆจะมีลักษณะเด่นของมันเราจะเข้าใจมากขึ้นคือทุกครั้งที่มีสติมันจะจับเอามาให้จิตดูจิตดูแรกๆจะจับลักษณะของมันไม่เด่นชัดจาไม่ค่อยได้ต้องดูบ่อยๆมันจะจาได้ เช่นโยมมานั่งฟังบ่อยๆอาตมาก็จำได้อ๋อหน้านี้เคยมาหน้านี้เคยมาหน้านี้เคยมาจำได้แต่มาใหม่ๆไม่ค่อยจำคือไม่จำถ้าเราดูครั้งแรกเห็นครั้งเดียวเนี่ยมันไม่จำจิตไม่จำแล้วบังคับจิตให้จำก็ไม่ได้นะเพียงมีวิธีเดียวคือจับมาให้จิตดูบ่อยๆวิธีจับให้จิตดูบ่อยๆคือมีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะมี เคสตัวอย่างให้จิตดูอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีโมหะเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูคนที่ขี้โกรธก็มีโกรธให้ดูบ่อยๆมันก็จําโกรธได้คราวนี้แม่แต่คุนใจอะไรนิดๆหน่อยๆเจอไฟแดงไม่ชอบใจรู้ทันจิตว่าเมื่อกี้นี้เกิดความขุ่นใจขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเทศนานอยากจะกลับบ้านแล้วเกิดหงุดหงิดขึ้นมาในใจรู้สึกว่ามีโทสะเกิดขึ้นอย่างนี้ใครมีบ้าง นี่พูดถึงเรื่องแค่สตินะแค่สติเฉยๆมันจะมีการแยกแยะลักษณะราคาไม่เหมือนโทสะโทสะไม่เหมือนโมหะฟุงซ่านไม่เหมือนหดหูเราเรียกการแยกแยะตรงนี้ว่ารู้จักลักษณะเฉพาะของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เรียกว่าสภาวะต่างๆสภาวะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะมันมีลักษณะพิเศษของมันภาษาบาลีเรียกว่า วิเศษลักษณะลักษณะพิเศษของแต่ละตัวแต่ละสภาวะราคะจะมีลักษณะเยิ้มๆอย่างนี้โทสะจะมีลักษณะดุดุอย่างนี้โมหะมันจะหลงๆอย่างนั้นฟุ้งซ่านมันจะแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้หดหูมันจะออกมาแบบไม่มีแรงอย่างนี้หมดแรงอย่างนี้ลักษณะที่มีสติมันจะสว่างอย่างนี้รู้ตัวอย่างนี้เบิกบานอย่างนี้ไม่เหมือนกันกุศลเป็นอย่างนี้อกุศลเป็นอย่างนี้มีลักษณะไม่เหมือนกัน บางทีท่านก็เรียกอีกศัพท์หนึ่งก็เรียกว่าปัจจัตลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวราคะไม่เหมือนโทสะเพราะมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันอย่างนี้นั้นเวลาได้ยินศัพท์ก็ต้องให้เข้าใจว่าเขาเรียกกันมีมีสองแบบวิเศษลักษณะปัจจัตลักษณะดูดูไปจับมาให้ดูบ่อยๆนยนะนอกจากจะเห็นลักษณะพิเศษของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีลักษณะร่วมกัน มีลักษณะที่เหมือนกันด้วยมีลักษณะที่แตกต่างกันเรียกว่าวิเศษลักษณะมีลักษณะที่ร่วมกันก็เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะสามัญทั่วๆไปของสิ่งทั้งหลายของสภาวะทั้งหลายสามัญลักษณะลักษณะทั่วๆไปของสิ่งทั้งหลายที่ว่านั้นคือมันเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่แล้วก็ถูกสภาวะนั่นเองบังคับให้เปลี่ยนไป และสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปเองบังคับไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ความที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีศัพท์เรียกว่าอนิจจังเคยได้ยินใช่ไหมอนิจจังอนิจจังอนิจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังวูปสมโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ แอดเตออนิจจานี่คือไม่เที่ยงอนิจจังก็คือไม่เที่ยงทุกขังก็คือมันอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจะให้มันตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้จะถูกสภาวะมันเองนะบีบคั้นให้มันเปลี่ยนไปจริงๆมันก็คืออย่างเดียวกันนะมองคนละแง่ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์มันจึงเปลี่ยนไปทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกข์เจ็บโอ้ยทุกข์แบบเจ็บปวด ทุกเจ็บปวดเรียกว่าทุกขเวทนาแต่ลักษณะความเป็นทุกข์คือมันตั้งอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นให้มันเปลี่ยนไปบีบคั้นให้มันดับไปเปลี่ยนไปอันนี้เรียกว่าทุกขลักษณะแยกออกไหมแยกออกนะทุกที่นั่งนานๆแล้วเจ็บปวดเมื่อยเนะี่ยเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเองก็เปลี่ยนไปเพราะมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนไป เป็นลักษณะทั่วไปของสภาวะต่างๆทุกเวทนาก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันขยับตัวปุ๊บเปลี่ยนแล้วเนยะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะไม่ขยับก็เปลี่ยนคือมันปวดมากขึ้นความปวดมากขึ้นมันแสดงถึงความเปลี่ยนเหมือนกันนะจากเมื่อกี้ปวดระดับนี้เนี่ยเพิ่มระดับขึ้นมาเพิ่มระดับขึ้นมาจนถึงระดับไฟแดงวาบๆก็ต้องเปลี่ยนท่าละ ความเปลี่ยนของมันแสดงถึงทุกขลักษณะแล้วที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นไปเองบังคับไม่ได้มันแสดงถึงอนัตตาฉะนั้นลักษณะทั่วไปที่เรียกว่าสามมัญลักษณะลักษณะทั่วไปมีอยู่สมอย่างฉะนั้นจำได้ใช่ไหมลักษณะทั่วไปสามมั ญ, ญลักษณะมีอนิจจังทุกขังอนัตตามีสามอย่างบางทีเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าไตรลักษ ลักษณะสามอย่างไตรแปลว่าสามลักก็คือลักษณะนั่นเองภาษาบาลีว่าติลักขนงังไตรลักลักษณะสามอย่างอั น, นิีจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะทุกทั่วไปของสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตา